ความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ลมพระโพธิญาณได้นําเสนอเรื่องบารมีมาถึงวิริยะบารมีที่แปลว่าความเพียนหรือความกระหานเวลาเรามาใช้ในภาษาไทยเราก็เรียกว่าความเพี้ยนวีริยะหรือวีดิยะแปลว่ากระหานไม่หวัดหวันถูกประศักดอันตรายทั้งหลาย โดยโครงสร้างหลักแล้วก็ส่งแสดงไว้ในรูปของสมาวิญญาณคือความพยายามในทางที่ชอบบังกรได้พูดมาถึงก็เรียกว่าสังวรปท า, านคือเพียรพยายามระวังไม่ให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องใช้อยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย วิธีประการที่สองก็คือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่แสดงความพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เห็นว่าจะมีปัญหาวล น, น้ำคำว่าไม่ยินดีไม่ยินรายนั้นก็หมายความว่าในกรณีที่ถ้ายินดีไปแล้วมีปัญหาถ้ายินรายไปแล้วมีปัญหา แต่ว่าการตามความเจริงแล้วการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันก็เริ่มจากความยินดีในธรรมแต่นั้นในเนื้อหารจริงๆก็คือว่าถ้ายินดีแล้วกุศลเกิดขึ้นอกุศลลดลงหรือยิญใจหรือว่ายินร้ายไปแล้วอกุศลลดลงกุศลเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้แสดงความรู้สึกต่อ น, นั้นได้ แต่ในกรณีก็ยินรายนั้นไม่ได้หมายความมาไปโกรธไปเกลียดไปรังเกียจอะไรเขาเทียงแต่ว่าเราไม่พอใจที่จะประพฤติจะกระทำในลักษณะนั้นเจนเนว่าการกระทำของคนผ่านแล้วก็นำภยัยนาอันตรายมาสู่ตัวเขาเองก็เป็นแบบให้เราศึกษาเราก็ไม่พอใจที่จะเป็นคนผ่านหรือว่าเห็นคนที่เขาก็ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วที่จริงก็เป็นเรื่องกรรมของเขา แต่เราก็เกิดชื่นชมในการกระทําความดีเหล่านั้นแล้วก็ยินดีเราก็ได้มุติตาจิตเพราะนั้นไอ้คาบางคําเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเขาพูดในกรณีอะไรในกรณีนี้มันเป็นการพูดเรื่องอกุศลเรื่องบาปเรื่องอกุศลก็ที่เน้นไปที่อินทรีย์สังวรเราจะเจอบ่อยนะคําว่าอินทรีย์สังวรเราจเจอบ่อยมากเพราะว่าโลกและชีวิตเรามันก็คือโลกแห่งประสาทสัมผัสอยู่แล้ว ปัหาต่างๆหรือความดีต่างๆมาเกิดขึ้นมาจากตาหูสมอิดึงกายใจของเราเพราะแนวสารวจระวังจึงเป็นการสํารวจระวังในกรณีที่จะเพิ่มบาปประการต่อไปนั้นมันเขาเรียกปาหาณประธานคือหมายความว่าบาปอกุศลทุจริตต่างๆความคิดไม่ดีความการกระทําไม่ดีการพูดไม่ดีซึ่งก็มีปัญหาอยู่บ่อยๆ แต่จากการทําการพูดการคิดของเราเองก็พยายามมองให้เห็นโทษชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดหลักแก้ไขตนด้วย ต, น, ตนเองเพราะว่าตามปกติแล้วโดยหลักการโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราไม่ชอบให้ใครมาบังคับมาควบคุมมาสั่งการมาบงการเพราะศาสนาจึงไม่ได้สอนในแนวนั้นแต่สอนในแนวสร้างจิตสํานึกให้คนคิดตัวเอง เราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็รับผิดชอบตัวเองม่เป็นกระบวนการของกรรมคาว่าหยาหรือคำว่าห้ามเนี่ยจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาพาะเราก็ไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่อะไรที่จะไปห้ามเขาหรือว่าจะไปสั่งการบังคับให้เขาทำตามที่เราต้องการให้ทำเพราะในโครงสร้างของศาสนาก็คือชี้ทางบรรเททุกข์ชี่สุขเสรมสาดให้ ซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับการรักษาพยาบาล น, นั่นเองโดยเจ่นว่าเอาก็จริงเนี่ยหมอก็คงอยู่ได้แค่สั่งยาให้แต่หมออาจจะทำได้เลยกว่านั้นนะคือฉีดยาให้หรือผ่าตัดให้แต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ถึงทำได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครสามารถจะฉีดธรรมะเข้าไปสู่จิตใจของคนได้นอกจากคนเหล่านั้นจะเกิดความพอใจยินดีในธรรม แล้ว้าก็เกิดความพอจจยินดีในธรรมธรรมะก็เพิ่มพูนขึ้นไปในจิตใจของเขาเป็นธรรมชนตะทีนี้ข้อต่อไปนั้นท่านเรียกว่าภาวนาประธานคือเป็นการมองสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เราจะมองอะไรก็ตามมององคธรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะฮะยากต่อการที่จะกระตุ้นเตือน องค์ธรรมตลายนั้นเราก็สัมผัสอยู่ตลอดเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาตลอดเมื่อก็มองเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วนั้นแต่ก็จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระทําให้เป็นไปตามนั้นได้เพราะแนวภาวนาจึงเป็นแนวที่วางไว้ให้บุคคลใช้ความพยายามปลุกฟังความพอใจในกุศลธรรมและใช้ความพยายามในการกระทําความเพียรอย่างต่อเนื่อง ล้วก็ได้ผลระดับใดก็รักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในระดับนั้นแล้วก็พยายามต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่ตนต้องการซึ่งก็แน่นอนว่าเป้าหมายนั้นก็คงไม่เหมือนกันหรอกคือคนบางคนนั้นต้องการความสุขระดับมนุษย์คนบางคนต้องการความสุขระดับสวรรค์คนบางคนต้องการความสุขระดับฌานระดับสมาธิก็แล้วแต่คนบางคนก็ต้องการความสุขที่ ไม่มีการกรเริดเปลี่ยนแปลงก็คือที่ผ่านนสุกแต่นั่นก็คือเป้าหมายซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องเราเห็นการกระทำของคนก็ได้เห็นคนที่เขาใช้ความเพียรพยายามจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนก็หกล้มหกลุกไม่น่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่า ก็ใช้ความเพี่ยนพยายามเกียตรติกายผลไควต่อสู้กับปัญหาอุปรสรรคอันตรายต่างๆแล้วในที่สุดก็ประสบความสําเร็จแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เป็นพระราชกุมารสิทธัตถ ะ, ะเองก็จะมีลักษณะยอย่างนั้นความเพียนพยายามเป็นอันมากที่เพียนไปแล้วก็รุ่มเร็วแต่ก็ต้องทดสอบไปเต็มที่เพราะเราคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สแสวงหาเราไม่ใช่เป็นผู้สแสวงหา พู้เจ้าบอกทางไว้แล้วคนระับขอให้เดินไปตามเส้นทางที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ผลมันก็เกิดขึ้นแต่ของพระพุทธเจ้ายุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นการศึกษาคนา้นคว้าแสวงหาทางรอดวันทางเหล่านั้นมันก็มีอยู่เป็นนั้นมากแล้วก็ต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบคือถ้าปฏิเสธก็ปฏิเสธหลังพิสูจน์ทดสอบแล้วถ้ายาจะรัยอมรับก็ยอมรับหลังจากพิสูจน์ทดสอบแล้ว นั่นคือเป็นหลักการเป็นวิถีของพุทธถ้ า, าเราจับหลั ก, กตรงนี้ได้แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตของเราในสังคมคงจะดีขึ้นได้เราจะเห็นว่าข่าวคราวต่างๆเรื่องราวต่างๆมีการชี้ผิดคนโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานมากพอแต่ว่าทำตัวเป็นสารตัดสินไปแล้วนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจเราไม่มีความยุติธรรมอยู่ภายในใจ แล้วก็ทำงานเกินสถานะเราไม่ใช่ศาลที่ไปตัดสินชี้ผิดชี้ถูกใครได้แต่ศาลเองก็เถอะมันก็ต้องผ่านกระบวนการอีกเป็นมากการผิดคดีถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องถือว่าศาลฎีกาและสถานโครงสร้างทางสังคมที่จริงวางไว้ดีนะก็หมายความบ่าการที่จะพลาดเนี่ยมันมีน้อยไม่ใช่ว่าไม่พลาดเลย คือการจะตัดสินคนถูกให้ผิดคนผิดให้ถูกนี่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่นั้นก็คือการกระทำของคนจากเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เชื่อไปในทางนั้นก็จะมีได้แต่ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปในการลองแห่งความยุติธรรมแนั้นตรงนี้เมื่อเราไปเห็นเข้าเราก็สามารถที่จะนำหลักตัวนี้มาประพฤติปฏิบัติ ที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนอื่นไม่ด่วนรีพรามตัดสินปัญหาลงไปคือบางครั้งมันเป็นแรงดิษยาบางครั้งสู้เขาไม่ได้ก็หารเรื่องไปใส่ร้ายเขาบางครั้งก็เป็นมือปืนรับจ้างอะไรต่างๆนี่ออกมาซึ่งในสุดมันก็สูญเสียความสงบยุติธรรมนั้นก็คือยุติ้ดยธรรม เพรตรงนี้เราก็ได้ประโยชน์ที่จริงแล้วเขาทาชั่วเราก็มองให้ได้ประโยชน์ได้ด้วยนะคือหมายความว่าเรามองในสิ่งที่เราทำตรงกันข้ามกับเขาเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าเขาลักขโมยมาแล้วก็ถูกตำรวจจับได้ต่อมาก็สารตัดสินติดคุกมั่นก็เป็นแบบอย่างหนึ่งอะเราก็ทำตรงกันข้ามกับเขาคือเราไม่ลักขโมย วันเมื่อเราไม่รักขโมยแล้วโทษผิดที่เกิดขึ้นจากการรักขโมยก็ไม่เกิดขึ้นกับเราคือหมายความว่าเรามองอีกด้านหนึ่งแตในขณะเดียวกันคนนั้นก็ถือว่าเป็นครูสอนให้เรารู้คือไม่จําเป็นจะต้องไปเกลียดสั่งอะไรครับบางครั้งการตีความธรรมะของในวงการของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยตรงตามหลักธรรม เช่นว่าคนผ่านเนี่ยเราไม่เป็นผ่านอย่างเขาเราไม่ร่วมหลักความคิดไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมไปไม่ร่วมอยู่ไม่ร่วมกินไม่ร่วมนอนกับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้บางครั้งบางคราวเราเจนว่าเช่นสมมุติว่าคนนี้ถูกราวหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใครไปเขหาาไปเกี่ยวข้องไปนั่งใกล้กับคนเหล่านั้นก็ถูกเหมาโลไปด้วยทําไมจะต้องคิดอย่างนั้น นั่นก็เพราะว่าเป็นความรู้สึกที่จะกระจายสิ่งผิดปกติออกไปนะคือแทนที่จะแก้ปัญหามันก็ไปเพิ่มปัญหาให้รุงรังมากยิ่งขึ้นคนเหล่านั้นเขามีญาติมีพี่น้อง ม, มีเพื่อนมีฝูง ม, มีอะไรนะี่ันั้นคือความจริงแล้วเขาก็เป็นพวกตกราวหาแต่นั้นเองแม้แต่ตัดสินแล้วก็เถอะเหน้าโทษตัดสินประหารเนี่ยต้องมีคนไปเยี่ยมเขาเพราะเขาก็มีญาติพี่น้อง มีเปื้อนผูกมีอะไรคนที่เข้าใจเห็นใจก็กไปเยี่ยมคือไม่ใช่ว่าตัดเป็นตัดตายกันไปนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ่นน่ะคืออย่าลืมเรื่องธรรมะเนี่ยมันต้องมีผลเป็นความสุขแต่ถ้าเราไปตั้งแง่ตำ ม, มุมมาคนอื่นในลักษณะนั้นเราก็มีผลเป็นความทุกข์ไม่ตรงกับหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ คือรังเกียจเนี่ยเราไม่ใช่รังเกียจตัวเขาแต่รังเกียจการกระทําของเขาแล้วเราก็ไม่กระทำํทำตามเขาเท่านั้นเองถ้าเราสามารถที่จะว่ากล่าวแนะนําตักเตือนให้สติปัจจการเพื่อเขาเลิกละก็ทําได้ก็ดีนะฮะถ้าทําไม่ได้มันก็เรื่องกรรมของเขาหมายความว่าในตัวกรรมของเขาด้านระหว่างเฉยแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเขาเราก็วางเฉย แต่ว่าในส่วนของตัวเขาถ้าเขามีปัญหาเกิดมาเราอยู่ในวิสัยจะสงเคราะห์ก็ได้ไหมก็สงเคราะห์เพราะจริงๆเขาคือประสบความทุกข์อยู่และการสงเคราะห์นั้นก็ไม่ได้หมายความเราเป็นเนี่ยที่เขาเป็นคือเราทำคนเรื่องเวลาเรื่องกับ เ, เขานะก็ทำความชั่วเขากำลังรับผลเป็นความทุกข์เราทำความดีด้วยช่วยช่วยเตือเขา แกปัญหาใช้่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยดูแลในการรักษาพยาบาลเป็นต้นมันก็ทำได้อยู่แล้วแต่นี้บางทีเราเขียนอะไรรุนแรงไปอธิบายอะไรนี่รุนแรงไปคือยังมองว่าตรงเนี้ยที่จริงมันน่าจะสัมมานากันสักครั้งหนึง่งเลยกฎเกณฑ์ตรงเนี้ยมันไปขัดกับธรรมะได้เลยเช่บางครั้งบางคราวเนี่ย คือประวัติศาสตร์ของเราบางทีมันผ่านการต่อสู้แต่ละยุคแต่ละสมัยมาแล้วก็ไปใช้อารมณ์ไปวินิจฉัยไปตัดสินไปชี้ผิดชี้ถูกคนทั้งหลายแม้ในแวดวงของพระเนี่ยและมาเองเป็นคนไม่เห็นด้วยเรื่องกังเกียดเรื่องนิกายเรื่องธรรมยุทธ์เรื่องมานิกายเรื่องจีนนิกายนำนิกายมาไม่เคยสนใจคือเราเคารพนับถือท่านท่านก็คือพระเราก็คือพระมีศักดิ์ศรีเท่ากันท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ไหว้ท่าน ท่านเป็นผู้น้อยท่านจะไวเราก็ได้ไม่ไวเราก็ไม่ไวา่าอะไรแต่เราเองเราไม่ไปรู้สึกแบ่งแยกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่วิธีทำอ่ะมันไปมีความรู้สึกยินร้ายต่อคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็แบบเหมาโลไปเลยแล้วก็ยินดีต่อคนกลุ่มหนึ่งโดยก็ละเลยปัญหาข้อก็จริงว่าไอ้ออสมมุทรนะนิกายเนี่ยนะนิกายรรมยุทธกดีมานิกายก็ดีมันมันเป็นกลางกลางมันเหมือนกับพาชชนะเนี่ย แล้วจากนั้นใส่สมมุติว่าแกวใส่ใส่อะไรล่ะแก้วใส่เหล้าบเงคนแก้วเหล้าแก้วน้ำแก้วน้ำหวางแก้วอะไรต่างต่างก็ไม่แต่แก้วก็คือแก้วอ่ะเห็นไหมพอเราเหมาหลูงเป็นธรรมยุทธ์เป็นนิกายเป็นจีนิกายเป็นน้ำนิกายเป็นที่เบรดอะไรมันก็เละก็นอกเรื่องจากนอกจากกฎเกณฑ์ของกรรมนอกจากหลักการที่ถูกต้องเพราะว่าการที่ผิดที่ถูกคนเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของคนเพราะนีพระในนิกายธรรมยุทธมันก็ผิดได้พระในมานิกายก็ผิดได้ พระในจิตในกายก็ผิดได้พระแนะนาใ น, น, นกายก็ผิดได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็คือคนแล้วทำไมเราต้องไปคิดในลักษณะเมาโลนั้นก็คือเรื่องปัญญาในการพิจารณาสดสองก็ปรากฏว่าแทนที่จะได้บุญมันก็กลายเป็นการเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองไปตั้งแง่ตั้งมุมไปรังเกียจมีสมัยที่มาบวชประมาณตอนนั้นสามหรือสามพันษาหรือสี่พันษา แ, แถวๆนี้นะ นักสีพ่พรรษาก็เขานิมนต์ไปเทศในวัดหนึ่งเป็นวัดธรรมานิกายนะก็วางแผนไว้แรงมากเลยญาติโยมก็เป็นห่วงไม่ยอมไม่ไปมันไม่ได้หรอพกพระเขาเน้นไปเทศก็ต้องไปอ่ะคือเขามีอะไรกันในเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราไปเทศเราก็ไปเทศท่านั้นเองญาติโยมเป็นห่วงแห่กันไปเป็นลำเรือเลยนะเดี๋ยวเป็นห่วงมันจะเกิดปัญหาขึ้น เธอก็มีวิธีการปลิกแพลงเยอะเช่นว่าเรานั่งอยู่ธรรมะเหนือลมก็ขอเปลี่ยนธรรมะกลาคงคันไม่เคยเจอเทศสองธรรมาะแล้วไปเปลี่ยนธรรมาแต่เขาก็กลัวจะอะไรนะวางยาคุณใสอะไรไม่รู้นะมาก็ยอมทั้งหมดอผลโนตายก็เทศกันพอดีพระที่เทศด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่รู้ก็ก็มาถึงกระซิบบอกนะบอกว่าท่านมหาเนี่ยเขาสั่งให้ผมเอาจุก คูนให้ตกพ ม, ม่าเลยนะฮะเกิดแสดงญาติโยมาอายุอภรรยาทะเลาะกันเลยก็ตกลงกันบอกเอาอย่างนี้ก่อนที่จะเทศเรื่องที่โยมในมูลเนี่ยเรามาพูดเรื่องธรรมยุทธ์มานิกายกันเสยก่อนเพราะมันเล่นนิกายกันแรงได้เกิด น, นะฮะแต่แล้วก็พูดเรื่องเนี่ยประมาณร่วมชั่วโมงอภิปรายกันไปชี้แจงให้เห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเรื่องนิกายก็โดยจะดีจะชัว่วมันก็อยู่ที่ตัวคนตรงนั้น แล้วก็ยกตัวอย่างเทียบเคียงอุปมาอะไรกันเยอะนะฮะก็โตเทียงกันโยมหน้าตาดีขึ้นกนะ็ยังชอบใจว่าเมื่อพศออตอนนั้นมาพศสองพันถอะไรห้าร้อยหนึ่ง น, น, นะประมาณห้ร้อยหนึ่งมีโยมเข้าไปจากเกาะสมุยเขาบอกเขาเกิดมาเนี่ยเขาเคยได้ยินเรื่องการชี้แจงอธิบายอย่างนี้เลยเลาเริ่มใส่มานะขอบูชาบูชากันเทศองค์ละยี่สิบบาท ก็เนี่ยแล้วในที่สุดวัดนั้นก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยมาปรนนากับตมาะท่านมหาต้องการอะไรก็บอกอทางวัดจินดีจะช่วยเหลือแล้เขามีงานอะไรเราก็ไปช่วยเขาทุกวันนี้เป็นเพื่อนฝูงกันหมดเลยทั้งทั้ ง, ท, งทั้งนั้นนะทางวัดกับอุบาสกที่วัดกับบัณิการที่วัดที่มาอยูนะ่นี่ก็เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปนัญหาที่ต้องใช้ความพยายาม สร้างความเข้าใจสร้างความถูกต้องให้บังเกิดขึ้นหรือไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่กี่วันแล้ดเดวเพิ่มแต่บาปเพิ่มแต่กุศลเพิ่มกันไปทไําไมเพืความเพียรพยายามตรงเนี้ยมันมองนี้หาประโยชน์ไ ด, ได้แม้แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่ดีแต่เราก็มองอีมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขาทาอย่างนี้ผิดทําด้านตรงกันข้ามือถูกเห็นไหมเช่นฆ่าคนตายผิดไหมฆ่าคนรายก็ถูก รักษาผิดไม่รักษาก็ถูกร่วงเกินคู่ครองก็ดื่นผิดไม่ร่วงเกินคู่ครองก็ดื่นก็ถูกเพราะเราดูจากการทำผิดของคนเนี่ยแต่เราก็ดดดประยู่อีกด้านหนึ่งแต่ถ้ามาขอบเขาเราก็เป็นไปทำากรรมของเขาเราก็ทำไปแล้วนะเราก็ใช้อุบเบกขาคือไม่ไปแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำาของเขาตรงนี้ค่อนข้างทำแต่ยากแปลว่าต้องใช้ความพยยา เราลองสังเกตว่าสังคมเนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันอย่างบางครั้งบางคราวอย่างในกรณีที่เขาเลือกตั้งสวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูกกับพวกนี้เป็นพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองตัเอ้ยคนสังคมไทยมันแคบนิดเดียวว่าแล้วคนระดับเนี้ยเขาต้องรู้จักมักคุ้นการคนไทยเนี่ยมันเป็นเพื่อนเป็นฝูงการไม่เกี่ยวอะไรนะักการเมืองมันเลวร้ายอะไรลนะแล้วนักการเมืองก็คือผู้สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาก็เป็นการเมืองนะฮะแล้วก็บุคลากรทุนตรีต่งตางๆเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้อะไรหรอกทาไมจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกมันไม่มีทานที่เราจะไม่เป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักกันนะฮะคืออย่างสวรุ่นเนี่ยมาค้นๆทั้งหลายคนก็รู้จักกันนงนั้นแหละสสเกิดมากี่คนเราก็รู้จักอย่างน้อยก็เรียกว่าสิบเปอร์เซ็นนี่ยเรารู้จักก็ในแวทวงมนุษย์ี่มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันต้องรู้จักกัน แล้วก็เคยเกี่ยวข้องเคยช่วยเหลือเคยเป็นไม่เป็นสาหาสกันไม่ได้แปกอะไรคืออย่าไปมองให้มันมีปัญหาเมื่อมันไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเป็นปัญหามันก็เฉพาะกรณีไปเพราะฉะนั้นการหาประโยชน์เป็นหลักในการปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งการกระทาของคนการผู้ของคนในขณะนั้นเน่ยมันก็เป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนให้เรา ทำตามหรืองดเว้นไม่ทําก็แสดงว่าความพยายามมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างพยายามในการละบาปแล้วก็พยายามในการมาเป็นบุญที่วิการละบาปการมาเป็นบุญที่จริงมันมีผลอย่างเดียวกันแม่ความคือการละบาปก็ได้แก่การออกเป็นบุญการมาเป็นบุญก็คือละบาปไปยุติด้วยในตัวเนะี่ยเพราะบุญมันเกิดบาปมันก็สงบเองนั่นเหมือนกับเราเปิดสวิตไฟอย่ยนะเราจะเห็นว่า มันก็าากระจัดความมืดไปเองความมืดก็หายไปเองเพราะว่าไฟมันกระจัดให้เพราะในการเปิดสวิตช์ไฟก็เหมือน ก, น ก, นการกระทำความดีพอทําความดีปับ๊บมันก็ความชุบติสุงกันข้าขความดีมันก็สงบลงไปนี้ก็เป็นหลักการในธรรมชาติธรรมาอีกแนวหนึ่งอาจจะมองในผลสําเร็จของคนหรือผลล้มเหลวของคนก็ได้นะเราก็ใช้เป็นครูในการกระตุ้นได้ทั้งหมด เราก็เห็นเขาล้มเหลวอย่างนั้นครั้งพลาดอย่งนั้นเราก็ไม่ทำตามอย่างนั้นมันก็กลายเป็นทางใหม่คือทางที่ตรงกันข้ามในขณะเดียวกันคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยตรงตรงนี้ลองดูให้ดีนยะจะคิดยากเพราะคนเวลาประสบความล้มเหลวมักจะถูกสังคมซ้ําเติมผิดพลาดถูกล้มเนี่ยจะถูกสังคมซ้ำเติมเพราะว่าคนมีพื้นฐานเบียดเบียนอยู่ แต่ในกรณีที่คนประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าเอาอีกอะ่ะแทนที่จะได้ไประโยชน์จากเขาเกิดริษยาเขาอ่าระฤริษยามันก็ไปไม่ได้ทั้งสองทางดังนั้นไอ้คำมายินดียินร้ายเราจึงเจอบ่อยเพราะอะไรเพราะปัญหาตัวเนี้ยที่มันเกิดริษยาก็ดีเกิดวิหิงสาก็ดีเกิดเบี่ยงเบียงก็ดีเพราะเรายินดียินร้าย ต, ตัวเขาหมายความยังไงหมายความมาถ้าญาติพี่น้องของเรานะ่ประสบความสมําเร็จเจริญก้าวหน้าเราก็ยินดี เราอาจจะยึดถือท่านเป็นแบบประพฤติปฏิบัติได้ง่ายนะทําได้ง่ายเพราะเรายินดีต่อครับแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ริษยาเลยใจเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้แต่กลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่งกิเลสไปแต่นี่คนที่เราไม่ชอบมันก็มีลักษณะอย่างนีน้คือหมายความว่าถ้าเราไม่ชอบเขาเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะเกิดริษยาเขาเขาประสบความล้มเหลวแต่ที่เราใช้เขาเป็นบทเรียนเราก็ทึ่เขา เลยเสียหมวดทั้งสองด้านแหละในการทําใจเนี่ยมันมีความสําคัญว่าเราจะสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องในพุทธศาสนานี่คือต้องหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแต่ว่าความสามารถในการคิดในการมองของเราเนี่ยคิดยังไงมองอย่างไงจึงจะได้ประโยชน์เรื่องนั้นเป็นอะไรไม่สําคัญแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นอย่างไรอนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องกําหนดต้องฝังทั้งหลายใต้ร่มพระปฏิญาณใ น, นวันนี้ขอ ย, ยุติไว้ได้วยเวลาเป็นแ่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไผบูดในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี